สี่สิบสามต์ทีชต่สวนสัตว์สวนสัตว์อยู่ที่นั่น Там มเอ о п а р к พาร์คท์ทั р มเ и ็ซ์อกยีราฟอยู่ตรงนั้นทิตทาิมีอยู่ที่ไหนคกคดีมแตช้างอยู่ที่ไหน คดีส์ส่วนุเสสนเต่เสสเงูอยู่ที่ไหนคดคดีส์สมีเต ส, ส, สิงโตอยู่ที่ไหนคดีส์สัววัเะวะเตีเดสะะดิฉันมีกล้องถ่ายรูป as, as, as e ีออ as มตอะรตดิฉ e ันม e ีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย as มีมม์ a m e r a ีม a m e r a ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหนเคเดมีมาแบตเตอรี่เคดมีบเตี นกเพนกวินอยู่ที่ไหนคดส์สปิงวีนิตคดส์สปิงวินิตะจิงโจ้อยู่ที่ไหนคดส์สเคนกูรุตตะคดสเคนกูราตตะแรดอยู่ที่ไหนคดส์นอสซอร์สตคดส์นสซอร์อสต ห้องน้ำอยู่ที่ไหนกิดดอิมาตัวเลนะเกดดอิมาตัวเลตนะมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นตัมอิมาคาเฟเนตัมอิมาคาเฟเน่มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นตัมอิมาเรสตรตตัมอิมาเรสตรนต์ อูดอยู่ที่ไหนค e c a t ค i l i เ e กอริล่ลลลาและม้าลายอยู่ที่ไหนคด e s s g o คด s g o r i i t i b r e เสือและจระเข้อยู่ที่ไหนค essa tigritte icrocodilite ค a d e s s ิ t i g r ต t e ละโครโคดิลิ